แต่อนยญาตให้ไปเผยแผ่ธรรมะแต่ยังกินเงนเดือนของบริษัตเหมือนเดิมเอ อ, อถ้าพบเจน่นายแบบนี้ก็ดีนะทำให้ทางานได้เผยแผ่ธรรมะได้ด้วยแล้วก็มีการทำอาชีพไปด้วยก็วินนั้นเชิญท่านไปช่วยที่ฝรั่งเศสเดือข้ามไปที่ไปสวิตไปที่เอยอรมันแล้วก็ออกไปที่ออสเตรียก็ไปแยกกันที่ตรงนั้น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 แล้วใครเป็นผู้เมื่อยก็เป็นผู้หนักเออเร อ, องนี้เจาให้ดีนะเรานั่งไปานานเมื่อยนล้วก็นหนักใครเป็นผู้เมื่อยใครเป็นผู้หนักฮะเออถ้าบอกว่าเราเมื่อยเราเสร็จเลยนะถ้าเราเมื่อยนี่หมว่าเป็นความรู้สึกภายนอกละแต่ถ้าบอกขาลูกน้ำ ม, มันเมื่อยอย่างไี้นะลูปน้ามเมื่อยกายใจมันเมื่อยไม่ใช่เรา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 พริกเผ็ดหรือไม่เผ็ดถ้าเป็นความจริงถ้าเป็นความจํามันเผ็ดเพระ จ, จําละสัญญามาตอบใช่ไหมแต่ถ้าเป็นความจริงเผ็ดหรือไม่เผิด <vib thou> ไม่เผิดเพราะพริกไม่ได้อยู่ที่ลิ้นของเราในขณะนี้ <Jord i> ความจริงคือสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นๆใช่ไหมแต่ว่าที่มันปรากฏแล้วเราเอามาพูดใหม่นี่เป็นความจริงหรือความจําเป็นความจําซึ่งไม่ใช่ความจริงมันผ่านไปแล้วแต่ความจริงต้องปรากฏขณะเดี๋ยวนี้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 สบายไม่สบายเออ น, นี่เป็นความจริงแบบปรมาจ์นะเป็นรูปนามรูปนามสบายๆก็เป็นสภาวธรรมเป็นรูปนะอันนี้เรื่องเ่องยากหน่อยนะแต่ว่าตอนที่มาเชิญท่านไปพูดอยู่ที่รุ่งอรุณโรงเรียนรุ่งอรุณตอนนั้นอามาอบรมพวกคณะครูนักเรียนนะเอาคณะครูนักศึกษาที่นั่นแล้วก็เอาอาจารย์ทีเดียวจะไป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 สามอย่างหนึ่งความรู้สึกถ้าความจริงฝ่ายกายก็คือวามรู้สึกสบายใช่ไมไม่สบายแล้วก็เฉยๆความรู้สึกฝ่ายใจก็มีสามคือความรู้สึกชอบไม่ชอบเฉยๆนะชอบพอใจไม่พอใจกุศลอกุศลอะก็แล้วแต่ละมันจะสมมติไปจากตัวนี้ทั้งหมดแต่มันก็คือมันมีแค่สามอย่างแต่ความคิดมันมีกี่อย่าง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 โอ้กลัวจะเป็นลมเป็นแรงเห็นคนตีกันฆ่ากันใช่ไหมกลัวตงใจจะช็อกเลยนะ่ะแต่ไปหเห็นเขาตีกันดูในจอโทรทัศน์ดูเชียร์กันตึมตึ ม, ต ม, ตมเลยเห็นไหมอขอาจริงหรือเของหลอกในโทรทัศน์เนี่ยอของหลอกนะ่ะเพราะจิตเราก็ไม่ชอบกับของหลอกหรือเวลาเราไปดูหนังฟังเพลงดูละครใน่ไหมเราก็ชอบแต่เวลาเขามาเล่นละครใส่เราเราชอบไหม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 นี่ น, นี่ใกล้ๆนี่เลยนะต้องมีความรักความเพียรในการที่ศึกษาและศึกษาสามเรื่องอเรื่องของความรู้สึกสบายความรู้สึกสบายถ้าศึกษามันจะกลายเป็นศีลกลายเป็นสติเฝ้าดูมันว่าความรู้สึกสบายไป็ น, นยังไงทีนี้ระหว่างในชีวิตประจำวันของเราแต่ละขนาดความรู้สึกสบายกับไม่สบายในยอันไหนมีมากกว่าเื อ, อเอาให้แน่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 ก็ <laughs> เหมือนเหมือนสุขกับทุกข์ใช่ไหมก็คนละเรื่องเดียวกันถ้าคุณรักคุณก็ต้องยอมรับความเบื่อไปด้วยมันไม่เบื่อวันนี้ก็ต้องเบื่อวันพรุนน่งนี้ไม่เบื่อวันพรุ่งนี้ก็ต้องเบื่อเดือนหน้าปีหน้ามันต้องเอบื่อกันอเบื่อกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าเออเบื่อแค่นั้นเองก็อยู่กันได้ต่อแต่ถ้าหากว่าอยู่ก็ได้เฉพาะที่เวลามีความรักเวลาเบืเ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้นี่ก็แสดงว่าทุกข์ละนะอันนี้คือชีวิตจริงของเรา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 ถ้าปรุงอาหารอร่อยพอดีนี่ดีไหมอร่อยพอดีพอดีอถ้าอร่อยมากนี่ไม่ดีแล้วเพออราะแหละมันจะเป็นโรคแล้นะเดี๋ยวไปติดอะไปติดว่าอร่อยมากผู้อร่อยมากมเลยพอพอไปกินอาหารที่ไม่อร่อยเป็นไงกินไม่ลงแล้ว <c oughs> เห็นไหมให้อร่อยแต่พอดีรักก็รักกันแต่พอดีชังกันเพราะรักก็ต้องเปิดเผยชงังแต่ชังให้พอดีอย่าชังมาก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 สมญาญาปฏิปปโนแก้ปัญหาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาของตัวเองได้แล้วแก้ปัญหาของเพื่อนก็ได้สสามีจิปฏิปปโนปฏิบัติดูความเหมาะสมดูความเหมาะสมดูความสมควรอะแค่ไหนเพียงไรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเหมาะแก่ฐานะเหมาะแก่สภาพรู้กาลเทศะรู้เขารู้เราเนี่ยให้สี่ข้อเนี่ยเป็นพระได้ละ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 ไปเรียนรู้ทำเขาเข้ า, พาพใจจนชมิิชำนาญและเวลาก่อนหลับก่อนนอนก็อย่าไปคุยกันเดี๋ยวจะหลับยาก 2. เวลานอนกำหนดลมหายใจเข้าออกสบายๆไม่ต้องยก ม, มือก็ได้ดูลมหายใจอย่าละเอียดลึกตื่นดูเล่นไปเรื่อยๆตั้งใจดูไปเป็นการปฏิบัติอาณาปานสติในเวลานอนแล้วเราก็จะหลับง่ายขึ้นง่ายขึ้นในที่สุดดึงลมหายใจเข้าออกเข้าทีออกทีหลับเลย